คำว่าสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นความว่าสั่งให้ซื้อของอย่างอื่นนอกจากของที่ให้สั่งให้ซื้อก่อนนั้นต้องอบัตทุกกฎในขณะที่สั่งให้ซื้อของนั้นเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่ภิกษุณีรูปหนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุณีเพึงสละของที่เป็นนิสกีนั้นอย่างนี้